أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا لظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى و الع الع ل ك و ا ل الحمد إذا ر ض ي ت و ل ك ا ل ح م د بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله อัลลอฮฺสั่งพระองค์ประทานพรแก่ผู้ที่ัลธรมและศีลธรรมนั้นสิ่งที่ดีที่ลกนี้ข้าพเจ้าได้รับการสอนจะองค์และได้ับการสอนจากผู้ี่รู้จรรมข้าพาได้รบอนอะัาอกมเาอะะรกากัมาพดกอกรงะรับสาี่ลมาเรกกะอลักสามเา ว่าบ้าหรอกแกตู้ครับสําสหรับพี่น้องที่สังเกตดูหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะพบว่าอาวันนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของตัปสีตซึ่งปกติอวันจันทร์ทุกวันพูดเราเป็นดุอาใช่ไหมครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างที่แจ้งไว้แล้วแล้วก็ก็ขอตัวจะรอให้มันเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็อหวังว่าจะลงตัวในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ ความเกี่ยวพันนะครับกับตัพซีที่เราจะคุยกันในวันนี้ในช่วงของดูอาร์ที่ผ่านมาก็คือวันนี้เราก็จะมาคุยกันในส่วนของดูอาร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอายกักษรานที่เรากำลังพูดคุยกันความเดินตอนที่แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่าพี่น้องยังจํากันได้เราพูดคุยในสุลตุลอัลเลัดในอายะที่สิบที่พวลเราสุพานณหวัวตรายทรง เราเอาเองรับว่าอลัลลอฮฺเจัลลออัลไนน์แะวลิสนาานนันและวัฟัดัยและฮะดีนาฮุนเจมไลเราไม่ได้ให้ทางนําทั้งสองแก่บรรดามนุษย์คนั้นหรือหมายความว่าผู้รอดได้บอกกับพวกเราว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีสํานึกผิดรับรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดแล้วผู้รอดได้ประทานอัลิสลฺ ม, มาประทานอัลกุรอานมาเพื่อจำแนกคนให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิด ทำไมถึงต้องให้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปรัชญาสําหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาเพราะเขาจะไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดสําหรับอิสลามครับสิ่งที่ถูกต้องนั้นชัดเจนยองเนี่อาจจะมีคํำนิยามหลายคํานิยามแต่สําหรับมุสลิมสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทําไปแล้วพ่อรอรักพ่อร้อพอใจถ้าตามคําอธิบายของท่านอัีสิ่งที่ดีก็คืออะไรก็ตามที่คุณทําไปแล้วเนี่ย คุณรู้สึกปลอดโปง่งแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นศีลธรรมรมเนียมที่ดีนั่นแหละคือความดีอันนี้นก็เป็นคําอธิบายซึงอย่างที่บอกก็คือมีหลายมุมมองในที่นี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของดุอาที่ทําให้โพลล้อนั้นรักเรามากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่เราได้พูดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําแล้ว หรืออะไรคือสิ่งที่ยืนยันว่าพ่อของล้อนั้นรักเราซึ่งผมก็คงจะไม่ทัวแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราค่อนข้างจะพูดกันมาค่อนข้างจะยาวนานตอนนี้เรามาคุยในส่วนเสริมครับภายหลังจากที่เรารู้ว่าอะไรคือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราในส่วนเสริมของวันนี้ที่จะมาพูดเพื่อให้สืบเนื่องกับเมื่อวานเราคุยเรื่องดูอะวันนี้ครับเราก็จะมาคุยว่าอะไรคือดูอะที่ทําให้พ่อของล้อจะรักเรามากยิ่งขึ้น ปกติแล้วนะครับในเรื่องของดูอาเนี่ยขอไปเลยครับพี่น้องดูอาบทไหนก็ตามที่ขอเพราะลอร์นั้นรักเราเพรา ะ, ราะลอร์แก่ว่าโอ โ, โอนี่อัศจิบแล้วกลุ่มขอมาเลยแล้วข้าจะตอบรับการขอทําให้อลรักครับผมได้ยินยาคือคุกเสือผู้สัทธาสลามมาเต็มเตเส้นเคยนะครับผมก็ไวริคุณสลามอุลลอฮ์ว่าบราริกาด้วยนะครับผมเราอยากให้อลรักแน่นอนมุสลิมเราทุกคนอยากให้อลรักแล้วก็เราอยากจะมีความสุขอย่างแท้จริงในโลกอาเชรอ คพี่น้องที่รับที่เมื่อพผล้รอดรักใครอย่างแท้จริงที่มันนอกเหนือนไปจากความเมตตาที่ผู้รอดให้กับให้แบบไม่เลือกเลยเมื่อผู้รอดสุภะนัวตาลรักใครอย่างแท้จริงพผู้รอดย่อมจะไม่ให้เขาถูกลงโทษแล้วจะเป็นในหลวงฝังศพหรือในฝ่านรกแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่มสซิมเราต้องการมากที่สุดหนึ่งสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าผู้รอดรัก สัญญาณที่บอกให้รู้ว่าพวกเราล้อนั้นรักเราก็คือการที่เรานั้นทําในสิ่งที่พระองค์รักมันเป็นเรื่องที่มีเซนที่สุดนะครับพี่น้องครับอยากให้ล้อรักเราก็ต้องมีความรักในการทําสิ่งที่ทําแล้วผู้ล้อจะรักถ้าเกิดถึงเวลาละมาแล้วมไม่มีสมาธิรู้สึกแย่หรือว่าถึงเวลาทำอามัณอิบาดาห์รู้สึกมันไม่ไหวเลยจริงๆอันนี้แปลว่าเรายังไม่ได้รักสิ่งที่จะทําให้อล้อรักเราจริง เพราะถ้าเรารักอัลลอฮ์รักในการทําทอะไรก็ตามที่ใช่อัลลอฮ์รักเราเหมือนกับเวลาที่เรารักใครสักคนเราก็อยากทําอะไรก็ตามให้เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทําเพื่อเขาเราก็จะมีความสุขกับมันเราก็จะมีความรักกับสิ่งนั้นด้วยเพราะงั้นตามธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่ออยากให้อัลลอฮ์รักเราก็ต้องรักการงานใดก็ตามที่ทําให้พวกอัลลอฮ์รักซึ่งการงานที่ทําให้พวกอัลลอฮ์รักนันก็คือสิ่งใดก็ตามที่อกกัลลอฮ์กาหนดว่ามันเป็นวาญิบ แล้วก็เช่นเดียวกันสิ่งใดก็ตามที่เป็นมันดุแล้วก็การที่เราออกหายจากสิ่งที่เป็นคารอมแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมัครุนนั่นแหละคือสิ่งทําให้เาลอรักท่านบมุมัสลลัละฮวสลัมครัค้งหนึ่งครับท่านได้ขอดูอา่านซอิบ ม, มัสุดท่านได้บอกเอาไว้ซึ่งคาให้เรายิ่งเข้าใจความหมายตรงนี้ท่านอบดมุฮามมัลลัละฮวลัมขอดูว่าว่าอัลลอฮุมะอินีอนสัสลกะมูจิบติรห์มิโอ้ฮอัลลอฮ ฉันขอต่อพวองค์ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ฉันนั้นได้ความเมตตาของพระองค์อย่างชัวรวเลยฉันขอสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้ฉันนั้นได้รับความเมตตาของพระองค์อย่างแน่นอนอะไรก็ตามที่ทำแล้วอัลละจะเมตตาฉันขอให้ได้สิ่งนั้นเป็นดุอาที่มุสลิมเราควรจะต้องขอกันบ่อยๆเพื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ขออะไรก็ตาม ที่มันเป็นสิ่งที่จะทําให้ล้อรับเรายาวล้อ beau, ขอให้เราได้รับสิ่งสิ่งนั้นอะไรที่ทํารับเป็นสิ่งที่ล้อใจนิจตาเรายาวล้อขอให้รับสิ่งนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ขัดใจเราไปบ้างยาวล้อ له, ขอให้เรามีความอดทนที่จะแบกรับมันได้นี่คือดูอาจมุสิมขอท่านบีได้ขอต่อคําว่าวาอาเจอีมะมาเฟียรอติแล้วฉันขออะไรก็ตามที่มันจะเป็นเรื่องรับประกันว่าฉันจะได้รับการให้อภัยจากพระองค์คือขออะไรที่มันชวัวร์เลย ขออะไรก็ตามที่สิ่งนั้นทำให้เอเราเมตตาขออะไรก็ตามที่สิ่งนั้นทำให้เราได้รับการให้อภัยวั a t ละแม้แต่ e ป็นคนิสิสมและก็ความปลอดภัยจากทุกๆบาป ด, ด้วยคือขออะไรก็ตามที่ให้เราได้รับในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทาให้เรานั้นรอดพ้นจากการเป็นบาป ขอให้เรารับพ้นจากเิสกีที่ไม่ดีขอให้เรารับพ้นจากการครบค้าสมาคมคนที่ไม่ดีขอให้เรารับพ้นจากการที่ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีขอให้เรานั้นรับพ้นจากอะไรก็ตามที่มันจะเป็นบาปให้กับเราการล้นเกินผู้อื่นการทําร้ายผู้อื่นการไร้ความอดทนาการขี้โมโหการที่ไม่มีความสุ ข, ขุมการที่ว่าไม่มีการที่จะเสียสละหรืออะไรก็ตามแต่ขอปลอดภัยจากทุกๆบาป ว่าเงี้ยแม่มิงคุลีแล้วก็ขอให้ได้รับผลประโยชน์จากทุกความดีที่ทำไปผลประโยชน์แบบกาไรมหาศาลในทุกความดีที่ทำไปเพราะหลายครั้งที่คนบางคนทาความดีแต่เขาไม่ได้ไเลยแต่นี่คือขอให้ทำความดีแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มหาศาลวัลฟาวซาบินเจนนะแล้วก็ชัยชนะที่ได้รับสูงส่วน วันนั้าตามนานนาแล้วก็ขอให้เรา้นจะไฟนรกในทนี่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอวะอะลัยวะสลามได้ขอทั้งหมดกี่อย่างครับขอทั้งหมดหกอย่างขอทั้งหมดหกอย่างอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในดัวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสลามท่านนบีได้ขอให้ชีวิตของท่านนั้นได้เจอแต่สิ่งใดก็ตามที่มันจะทําให้ท่านได้รับหกอย่างดัวบทนี้ไม่ใช่ดัวง่ายๆนะครับ ดูอาบทนี้ของ่ายท่องจำง่ายอาจจะต้องการ ง, ง่ายงแต่ถ้าเราได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะท่านบีขออะไรบ้างใน6อย่างครับขอให้สิ่งใดก็ตามที่มาเกิดกับท่านบเีเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านบีได้รับความเมตตาจากอัลลอ์ชั่วช เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนบีได้รับการให้ภัยทษจากลอสชัวชัวเป็นสิ่งทําทให้นบีปลอดภัยจากทุกๆุกบาปชัวชัวเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนบีมุสลิมได้รับกำไรจากทุกๆความดีที่ทําแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านนบีนั้นได้รับแช่แช่ในด้วยกับสงสวรรค์แล้วก็รอดพ้นจากไฟนรก6อย่างนี้หมายความว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานกำลังขอให้ท่านนบีนั้นเจอกับบททดสอบที่จะทําให้ท่านนบีนั้นได้รับทั้ง6อย่าง บททดสอบที่ว่าไม่เกินความสามารถของท่านบททดสอบที่ยังอยู่ในความเมตตาของพวรสุภะหาแะหัวตาแหละอินทร ล, ลอยละมาคับเขาอมันอิบตะลาว่าเมื่อพวก ร, รักกลุ่มชนใดพวกรัก็จะทดสอบกลุ่มชนนั้นหนักหนักพระรูนทนี้ไม่ใช่ดูอาง่ายง่ายแต่ว่ามันครอบคลุมทุกอย่างที่พี่น้องต้องการจริงๆครับผมเพราะพี่น้องครับหลายครั้งถ้าเกิดว่าพี่น้องลองสังเกตดูกับตัวพี่น้องนะ หลายครั้งที่เราจะขอดุอาให้ได้ในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็หลายครั้งที่เราขอดุอาให้ได้สิ่งที่เราอยากได้อยากจะเป็นชะตาอยากได้มันมากๆแต่ผลสุดท้ายมันกลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราดุทิบทนี้หมายความว่าเราขอให้ได้สิ่งที่มันดีกับเราอย่างแท้จริงถึงแม้เราจะยังไม่เข้าใจในโลกดุรยาก็ตาม นี่คือชีวิตของมุสลิมครบและนี่คือมุมองของมุสิ่งที่มีต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามที่เขาขอ dua บทนี้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะมาะเผชิญหน้ากับเขาเขาก็จะคิดถึง d u าบทนี้เขาก็จะรู้แล้วว่านี่มันต้องเป็นสิ่งที่เราขอ dua จากอัลลอฮ์นี่มันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับการให้ไถ่โทษจากอัลลอฮ์ได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จได้ได้รับสูงสวรรค์แล้วก็ได้รับผลจากไฟนรก มัน ต, ต้องเป็นสิ่งที่สดีต่อให้ใจสิ่งอย่างไม่ชอบยาวละยาวละเราทดสอบฉันได้เจอกับคู่ครองที่แย่ๆคู่ครองที่ไม่ดียาวละเราทดสอบฉันได้ฉันต้องมีอามาให้ฉันต้องแบบรับยาวละเราทดสอบฉันได้ฉันต้องเจอกับสิ่งที่ฉันไม่พอใจสิ่งที่ฉันขัดใจยาวละเราทดสอบฉันอย่างนี้เอาล่ะทดสอบฉันอย่างนี้สําหรับมุสลิมใดก็ตามที่เข้าใจความหมายของดุอาบทนี้อย่างแท้จริงเขาได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ไปสู่หนทางที่อัลลอฮ์รักแล้วว่าอะไรนะฮุนนิชาด เพราะหนทางที่มนุษย์จะเลือกจะมีแค่สองเส้นทางหนทางที่ทํำให้ล้อรักกับหนทางที่ทำให้ล้อชัา ง, ลงแล้วพี่น้องเชื่อผมนะครับว่ามนุษย์เรามีความสามารถเหลือเกินเราเก่งเหลือเกินที่จะเลือกสรรแต่หนทางที่ทํำให้ล้อเจ็บเราอยากสบายเราอยากมีความสุขในดุนยาเราอยากจะมีชีวิตเหมือนกับแก้วเฟสดเราอยากจะมีสังคมที่แบบว่าไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยเราไม่อยากจะมีความเหนื่อยยากเราไม่อยากจะมีความรออับผิดชอบ น่นะครับถ้าจะให้มนุษย์เลือกทางเดินชีวิตบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราจะเลือกทางเดินชีวิตที่จะทำให้เรานน้นตกต่ำลงปวดทดสอบของฟัวร์ล็อที่อยู่บนพื้นฐานของความเมตตามไม่เคยทาให้ผู้สัท้านนั้นตกต่ำแต่มานทีทาให้ผู้สะท้านั้นสูงส่งขึ้นถึงแม้เราจะยังไม่เข้าใจมันก็ตามอันนี้คือสิ่งที่ว่าอยากจะขอย้ากับ พี่น้องมุสลิมที่รักครับว่าในดวัวบทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้อ่านเราได้ทำความเข้าใจเราจะเข้าใจกับจุดยืนของเราในยุน ญ, ญามากขึ้นแล้วเราจะมีความมุ่งมั่นที่จ ะ, ะเผชิญหน้ารับกับบททดสอบมากยิ่งขึ้นจะเป็นโควิด1 9โควิดยี่เอหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะมาในบททดสอบเรารู้วิธีรับมือ เรารู้วิธีวางใจของเราเรารู้วิธีที่เรานั้นจะต้องคิดจะต้องป้องกันตนจะต้องทําตนนี่คือมุสลิมผู้ศรัทธาครับเพราะฉะนั้นดูอาบทนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ทันในความหมายภาษาอังกฤษเอาภาษาไทยก็ได้เราขอในสิ่งที่เราอยากได้จากพวกเราซึาา่งพันหัวใจหลา่ะจะเกิดพี่น้องตะลัย ไ, ได้ภาษาเรบอัลรัมดีละครับ Allahumma إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائمة مغفرتك والسلامة من كل أذى والغنيمة من كل دير والفوز بالجنة والنجاة من النار ฉัน um ไม่ได้ก็เอาแค่ความหมายข้าวๆเป็นภาษาไทยหกวากวัวล้อฉันขอต่อพระองค์ในสิ่งที่จะทำให้ฉันนั้นได้รับความเมตตาจากพระองค์ชั่วชัวได้รับการให้ไปดต่พระองค์ชัวชวได้รับความปลอดภัยจาก บ, บาปทั้งปวงแล้วก็ได้รับ ผลประโยชน์ได้รับกําไรจากความดีแล้วก็ได้รับผลประสบความสำเร็จ ด, ด้วยกับสวรรค์แล้วก็รับผลจากฝนนรกหกอย่างครับของอย่างอินชาลอสครับเราจะได้ตามที่ขออย่าลืม่ามุสลิมเหล่านั้นเราจะได้ตามที่ขอเพราะ พ, พวกลอสเมื่อใดก็ตามที่บ่าวขอต่อพวกด้วยความจริงใจพวกนั้นจะตอบรับการขอของเขาแน่นอนตามที่เขาขอเหลือดีกว่าที่เขาขอ หน้าที่ของเราก็คืออดทนทําตัวให้ดีที่สุดครับผมพิมานีนะครับสลามมานะครับก็วาริกุลสลามหลบตุลลบวาระกาตัวเช่นเดียวกับคุณน้าซาดานะครับสลามเต็มมาก็วาริกุลสลามหลบตุลลอบวาระกาตัวก็สมชัดเจนนะครับผมน้าปติมานะครับก็สลามมานะครับก็วาริกุลสลามหลบตุลลอบวาระกาตัวครับผมสำหรท่านที่สลามมาก็คุณลุงอรุณนะครับเช่นเดิม บา um, right รักกะลาฟีคุมขอบคุณน้องแม่ครับสละมาก็วเลยคุ้มสลมุกเลาะว่าบารักกะตู้บอกว่าเสียงชัดเจนนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณมากๆครับหมออัดนะครับสุดทีรักนะครับสละมานะครับจริงๆผมรักพี่น้องทุกท่านนะครับผมแต่สำหรับหมออัดก็จะจะมีความรักพิเศษนิดนึงนะครับผมก็วคุ้มสละมุกเลาะว่าบารักกะตู้นะครับผมผู้สัทธาเราแล้ก็รักกันอย่างไรครับผม ความรักของเรามีให้กับคนที่ดีแล้วคนดีๆก็รักเรามามันก็เป็นความรักที่ทําให้นอกจากหัวใจจะพองแล้วอหมานก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างรักเพื่อเลาะกับรักที่เป็นไปนโดยทาธรรมชาตินะครับผมอ้าวครับมาสาวเลาะครับผมผมขอเรียกตามชื่อที่พิมพ์แล้วกันนะครับผมคนนับลบเลือกเหล็กนะครับผมใช้ชื่อ เสื้อดีนะครับผมบอกสลามมาคุณมอร์นิ่งนะครับไว้คุณสลามบารัตุลลอห์วะบารักาตุนะครับผมในที่สุดก็สลามสักทีแนละ้วปกติคือจ ะ, จะจะฟังเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าจะไม่ค่อยกล้าที่จะทักทายวันนี้ทักทายมาก็อัลฮัมดีลาครับผมอย่างที่บอกพี่น้องครับทักทายกันมานะครับก็เป็นการให้ดูอากันแต่เช้าก็เป็นการเริ่มยามเช้าที่ดีของเราเนื่องดูอาเราคุยกันไปแล้ว ดูอาเราคุยกันไปแล้วในส่วนที่ทำให้เราเห็นข้อแท้จริงของสัจธรรมของดุนยาในที่นี้ครับพี่น้องที่รักเอาดูอาอีกบทหนึ่งพี่น้องบางท่านอาจจะสังเกตว่าดูอาบท น, นี้อาจจะได้ยินผมกับนุชากาันบางท่านขอไบบ่อยอัลลฮุมะอินีอัสกับฮุบบะบะฮุบบะมาอยู่ให้พว่าฮุบะคนลุ่มมลินยุคาริบินนื้ออยุริบนาอิลฮุบถ้าในฮาดีสครับอีู่นเรื่องของอบดุลลาครับ พระบุตดั้ประวัติของแท่นนุ่งาย ม, มากโอเคไม่ใช่ปเป็นที่เรจะคุกันตอนนี้นะอยาจะนอกเรื่องด้ ว, ว่าบทนี้ครับทานาวีขอไว้สั้นๆครับอ้วล่ะฉันขอความรักของพระองค์ฉันขอที่จะได้รักคนที่รักพระองค์แล้วฉันขอการงานใดก็ตามที่จะทำให้ฉันนั้นรักพระองค์เราขอให้ได้ความรักความรักที่สมบูรณ์ ที่ใช้เอาลอรักเราอิสมบูรณ์ต้องมีสามอย่างต้องมีสามอย่างประการแรกเราขอความรักจากอัลลอฮ์ประการที่สองเราขอให้เรารักใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์ด้วยพอพี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์นี้ไหมครับที่ว่าเรารักคนสองคนแต่คนที่เรารักสองคนกลับไม่รักกันมันก็ไม่สบายใจอันนี้คือเรื่องของมนุษย์ด้วยกันส่วนสาหรับพวกลอร์อย่างที่เรารู้ครับเมื่อไหรก็ตามที่บ่าวเกียดการบ่าว เมรักกันพี่น้องเมรักกันคนที่ควรจะรักเมรักกันเพระองค์ก็จะบอกกันมาแล้วแกว่าอันดีรูฮาไดนฮัตยาสตอริฮานอย่าเพิ่งให้ภัยทั้งคู่นะรอให้ทั้งคู่คืนดีกันก่อนแล้วค่อยให้ความปวดปานค่อยให้ความรักค่อยให้การให้อภัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งต้องขอเป็นประจำอย่าให้หัวใจของเรามีความเกียดชังผู้ศรัทธาอย่าให้หัวใจของเรามีความเกียดชังผู้ที่ศรัทธาเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็ต้องขอดูอา ให้เราได้รับ ก, การงานใดก็ตามที่เราทำแล้วอัลลอห์รักเรา um uh อัลลอฮุมอินีอัสรฮบบะฮบบะมันย่ฮิบุวะฮบะกุลลอามลินยี่ลายละอิลลาบิยกเร่งิลาบินวนมีหลายนวนหลายสายงานครับผมดอวมีหลายดอวครับเอาอย่างนี้พี่น้องผมมีดัวาอกบทหนึ่งจะมานำเสนอซึ่งเป็นดัวซึ่งพี่น้อง ตอนจะขอต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆแล้วต้องทำใจให้ได้จริงๆดุอา์บบนี้เป็นหนึ่งในดูอาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเท่าที่มีดูอาที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นหนึ่งในดูอาที่ดีที่สุดเท่าที่มีแล้วในกุรันในฮะดีแล้วก็เป็นดูอาที่หนักที่สุดเท่าที่จะมีเช่นเดียวกัน เป็นดวงอาที่ดีมากๆแล้วก็หนักมากๆครับด้วยบทนี้ครับอยู่ในบันทึกของท่านอบูอูมามา์ะในบันทึกของอิหม่ามจิลมีดีซึ่งเป็นทายทักซันท่านอบูอูมามากครับประยอ ล, ลาวานหูครั้งหนึ่งครับท่านได้บอกนะครับว่าท่านอาบดี๋ยมฮะมมัสลลัมของอะลัยวุสรมบุลาขอดวงอาท่านมีดวงอามากมายถูกไหมครับเราเรียนดวงอาดวอาเยอะมากคอศิลของเรานะครับปีนี้ก็ยังไม่น่าจะจบปีหน้าหวังว่าจะจบ ดุอาเนะี่ยเยอะมากที่ท่านอบีมลล์มุฮัมมัดสุลตาลสลานะขอท่านอุูอุมามะท่านก็รู้สึกว่าวดุอาที่ทา น, นาบีนะขอนะีมากมายลนะ้วเกินท่านอบูอุมามะเลยไปหาท่านนาบดมฮัมมัดสลตฮุ ล, ลิสลมแล้วก็พูดแบบนี้แหละบอกว่ายาละซูละลดุอาที่ท่านขอเนะี่ยช่างมากมายเหลือเกินซึ่งเราแทบจำมันไม่ได้เลย เพราะคนแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในความจําถูกไหมครับบางคนก็จําดีบางคนความจําเพราะอะไรทดสอบให้แบบว่าจําไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วถ้าจดดอานั้นก็มีดูานี้ก็มีดูานั้นก็มีมีเต็มไปหมดเรารู้ว่าตรงนี้ก็ต้องขอตรงนั้นก็ต้องขอตรงนู้นก็ต้องขอต้องขอแต่ละช่วงเยแยกๆจดไปหมดเราจําไม่ไหวบางทียังจําไม่ไหวพี่น้องดูอาบทนี้บทเดียวครอบคุมหมดเลยใช้ได้ทุสากสาขา์เลย ได้หมดเลยก่อนกินข้าวหลังกินข้าวตื่นนอนก่อนนอนครึ่งยามผานะฟ้าร้องฟ้าผ่าจะก่อนละหมาดจะหลังจากละหมาดจะอะไรก็ตามแต่พี่น้องดัวบทนี้บทเดียวใช้แทนได้ทั้งหมดเลยถ้าเกิดพี่น้องไม่มีความสามารถจะจำดัวเฉพาะเฉพาะที่ว่าในส่วนของดัวที่ เปิดกว้างให้เราขออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นละอาในละหมาดในอะไรนั้นต้องเฉพาะตามที่ท่านนบีทำแบบอย่างไว้เอาดวัวบนนี้ครับพี่น้องหลังจากที่ท่านบูเมมาได้อาบูอุมามา้ได้บอกกับท่านนบีมูฮัมมัดสลาห์สลัมอย่างนี้ท่านลบีก็บอกว่าไงครับ阿拉 أدن لقوم 阿拉 ماجشمأو ل ل ك ผมไม่ได้พูดเองนะพี่น้องที่บอกว่าดับท น, นี้แทนได้ทุกดาครอบคุมได้หมดเลยท่านลบีมูฮัมมัดสลาหลัมบอก เองครับว่าจะให้ฉันบอกพวกท่านไหมถึงดุอาที่ครอบคุมดุอาพวกนั้นทั้งหมดที่ฉันเคยขออยากได้ไหมล่ะครับอย่างที่ผมบอกนะดุานี้ครอบคุมจริงจะขอต้องมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็เป็นดุอาที่หนักมากๆถ้าจะขอก็ต้องเตรียมใจไว้เยอะหน่อย จะขอตั้งเต็มใจนะเยอะหน่อยท่านนบีมุสลิมซันบอกว่าให้ขอแบบนี้อัลลอฮุมะอินีอัลามินไคล์มาสอาลกะมินนบียุมุฮัมมัดอุซลอัาะัั و ع ذ ب ك من شر م س ت ع ا د منه نبيك م ح ص ل الله عليه وسلم و أ ت ا ل م س ع ن ع ل ي ك البلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله แคนนี้แทนได้ทุกดูอาที่มีมาจากท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่านในกรณีที่เราไม่สามารถไปท่องเป็นรายดูอาได้เดี๋ยแบบนี้ครอคลุมได้หมดเลยท่านนบีบอกให้ขอว่าไงครับเราค่อยๆไปด้วยกันนะโอ้เออฉันขอต่อพระ อ, องค์อันนี้เป็นแพทเทิร์นพื้นฐานในการข อ, อาจาก Allah, ลเราคือเรื่อขอจากเราองโอ้เออฉันขอต่อพระ อ, องค์ซึ่งทุกสิ่งทุก อย่างที่เป็นสิ่งดีงามที่นบีขอพระองค์ขออะไรดีๆที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุล อ, อลัยสัลมขอฉันขอสิ่งนั้นหมดเลยขอบคุมไหมล่ะพี่น้องครอบคุมอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแหละต่อมาครับแล้วฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ ให้รอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนาบี ม, มูฮัมหมัดสุลตานอิสลามขอความคุ้มคลองให้รอดพ้นจากมันขอภาษาทไทยได้พี่น้องภาษาจีนภาษาพ่อแม่ภาษ า, า, า, า, าอังกฤษพี่น้องได้ภาษาอะไรของภาษานั้นั่นแหละเออเหรฉันขอต่อพระองค์ ซึ่งสี่มีแามทั้งหลายที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลัยสลามขอแล้วฉันขอความคุ้มคร อ, องจากพระองค์ให้รอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลัยสลามขอให้รอดพ้นจากมันยังไม่จบแค่ Panch นี้ว่าอันตะมุสตาอันพระอง์นั้นเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือว่าอะไรกันบารัแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ว่าทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเ ร, ร็จรุ่ร่วงได้ ولا ول ولا و วลา و ขาแ ا ق วเวลากล ل วแต่ละบิลไม่มีความสามารถใดไม่มีอำนาจใดนอกจากจะต้องมาจากอัลลอฮฺแค่นี้พี่น้องแค่นี้แหจริงอัลลอฮฺเมออินนีอัสอลกะมินไคย ما س ั ل ل ك ะค ن ب ي ك م ح ีอุ ل ول มุฮัมมัดสุล ل ัลฮฺอัลลอฮ์ ب ั ا م ละแ ا ะอาอุบุคจากในชั่ลมัสต่าง ل ด์ม ل ่งห์นบี ل ا ค ا ن ฮัมมัดสุลลัล إ ฺอัลลอฮ์สั่งละและอันต์ ل ัลมาสต่างา ولا ั و ة إ, ا ل คือ ل ل ปติวรรลินข้ยคือละอา ل ั ك คือ ل ا ลบ ل ลาห์และอาลัยคืออัาาะะาะคับ ดูอาบทนี้ครอบคุมหมดเลยในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอิสลามได้ขอเพราะฉะนั้นความประเสริฐก็คือทุกอย่างที่นบีขอเพราะดูอาบทนี้ก็ครอบคุมดูอารับบานาตินาฟิตยาสนาดูดูอารับบานาท่านนบีก็ขอเพราะฉะนั้นดูอาบทนี้ครอบคุมทุกดูอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอิสลามได้ขอเอาไว้ผมก็เลยบอกว่าจะขอบทเนี้ยต้องมีความมุ่งมั่นจริงๆเราต้องอยากได้จริงๆไม่ใช่ขอไปงั้นแล้วเรา ก็ต้องเตรียมใจในระดับหนึ Then, lab, him him ่งด้วยเพราะอะไรครับเพราะสิ่งดีงามที่ท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุเยซามท่านขอเนี่ยหลายอย่างเป็นสิ่งดีงามที่ต้องแลกมากับบททดสอบที่ใหญ่หลวงบททดสอบที่หนักหนาซึ่งแน่นอนครับในตอนจบท่านนบีก็ผ่านบททดสอบเหล่านั้นไปได้ทุกบททดสอบต่อให้ท่านผิดพลาดท่านก็ผ่านไปได้โดยเชื่อฟรั่ ต่อให้ท่านเหนื่อยยากท่านก็ผ่านไปได้โดยที่อลัลลอฮฺรักเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺหวัวเราะสลุลามขอบางอย่างเป็นสิ่งที่มันเกินความสามารถที่เราจะแบกรับอย่างที่ท่านนาบีขอด้วยว่ายาวล้อฉันขอด้วยให้ฉันนั้นรักคนยากจนฉันขอด้วยให้ฉันนั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพ ค, คนยากจนฉันขอด้วให้มีชีวิตให้เสียชีวิตในสภาพของคนยากจนฉันขอต่อบพระให้ฉันฟื้นคืนชีพมา ร่วมอยู่กับคนที่ยากจนนี่แสดงถึงความรักของท่านเบีมหามัสลลลอฮิสุลามที่มีต่อคนยากจนคนยากไร้ซึ่งหลายๆคนคงไม่มีใครจะกล้าขอดัวบทนี้ใช่ไหมครับเราอยากสะดวกสบายเราอยากมีทรัพย์สินเราอยากมีความมั่งคั่งเราอยากมีความร่ํำรวยแล้วเราก็อยากได้สวรรค์ด้วยธรรมชาติของมนุษย์เพรา ะ, ะนั้นผมจึงบอกว่าดัวบทนี้เป็นดัวที่ครอบคลุมมากๆหนึ่งบทแต่ว่าในขณะเดยียวกันครับ นี่ก็เป็นดุอาที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยว่าเมื่อขอดัวบทนี้มันอาจจะมีบททดสอบถาโถมเข้ามาซึ่งขอให้เรารู้ไว้ว่าทุกบททดสอบที่มันจะตามมาหลังจากที่ขอดัวบทนี้อินชาลอัลล์ทุกบททดสอบนั้นไม่ได้มาเพื่อให้เราเสียคนแต่เพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราจริงๆทั้งดุญญาแล้วก็อัลล์ แมาความว่าใครก็ตามขอรับบทนี้แล้วล้อไม่ให้เขามีลูกหลานก็ขอให้เขารู้ไว้ว่าแปลว่านั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาขอให้เรา ข, ขอให้เขานั้นคิดถึงเรื่องราวของดะบีมุซากับดบีคืเดิร์ตอนที่เราทั้งคู่ไปด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอกับเด็กน้อยดบีคืดร์ตลมือสังหารเขาเพราะอะไรครับดบีคืดรบอกว่าถ้าเขาโตมาเขาจะทําให้พ่อแม่เสียคน เขาเองก็จะลงนรกและจะทำให่พ <würden ancia> ่อแม่ลงนรกด้วยแต่ถ้าเขาเสียชีวิตตอนนี้พ่อเราจะเปลี่ยนด้กับลูกที่ดีกว่านั้นถ้าเราเอาเรื่องนี้มาคิดพี่น้องเราก็จะคิดได้ว่าเออไม่แน่นะถ้าเรามีลูกอาจจะไม่ดีสำหรับเราก็ได้พ่อรู้ไงแต่เราไม่รู้หน้าที่เราคือขอด้วยว่ายาละฉันอยากมีลูกฉันอยากมีลูกหลานฉันอยากมีครอบครัวที่ดีขอให้ลูกหลานฉันเป็นคนที่ดีขอให้เป็นแก้วตาดวงใจของฉันขอให้เขาเป็นผู้นําของผู้สัตย์แท้หน้าที่ของเราก็คือขอ แต่ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาก็ขอให้เรารู้ว่าแปลว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเราโดยเราอาจจะไม่รู้หรือบางท่านอาจจะขอดูว่าให้ได้อะไรจริงๆอยากจะได้คนคนนี้มาเป็นคู่ครองฉันอยากจะประสบความสำเร็จอย่างนั้นฉันอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าตรงนี้ฉันอยากจะได้อย่างนั้นฉันอยากจะได้อย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละพระเจ้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแล้ว บางทีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากเป็นครับพี่น้องแต่พอมันเป็นขึ้นมาอัลฮัมดูลิลละแปลว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉันแล้วเมือ่อเพลาะเป็นผู้นําเสนอ บ, บททดสอบให้กับเราเราก็ขอแบกรับบททดสอบนี้แล้วก็ขอพรงให้ความง่ายใจแก่เราให้เราผ่านคนมันไปได้ซึ่งแน่นอนครับรวมถึงบททดสอบที่เป็นการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นหน้าที่ป้องกันตนเราก็ต้องป้องกันตน มีคนจะมาอาธรรมเราเราก็ต้องป้องกันตนเท่าที่จะเป็นไปได้เรื่องไหนให้อภัยได้ก็ให้อภัยแต่เรื่องไหนที่ยอมความไม่ได้ก็ไม่ต้องยอมความแต่ขอให้รู้ว่าให้เราใช้ชีวิตให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้รู้ว่าพู้ร้อนั้นมองดูเราเสมอความเมตตาของพู้ร้อนนั้นห้อมล้อม เราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะรู้หรือเราจะไม่รู้ก็ตามอินนะฮาดีนฮุสซบีและอิมาชากิราวอิมากะฟูร์มืนกับที่พ่อลาสปาโนตาได้กล่าวไว้ว่าเราได้ชี้แนะให้กับมนุษยชาติบางส่วนเขาก็รู้จักขอบคุณในขณะที่บางส่วนเขาก็เลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธ ธรรมชาติของมนุษย์ก็มีแคนีครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเราคุยกันในส่วนของยักกวาดที่ว่าอัลลัมนาชออลลาหอัยนัยโบริเซนอเวชฟตัยวะเดยนะหุนนาชดัยน์เราไม่ได้ให้เขามีสองตาให้เขามีหนึ่งลิ้นให้เขามีสองนิ้วปากกระนั้นหรือแล้วเราก็ไม่ได้ให้ทางนำเขาสู่หนทางทั้งสองกระ น, นั้นหรือหนทางที่ถูกต้องแล้วก็หนทางที่ผิดแล้วอย่างที่เราบอกก็คือว่าอยักกวาดนี้ก็แปลได้มากกว่านั้น เช่นเดียวกันที่แปลได้ว่าเราก็ได้นําทางเขาไปสู่เนินทั้งสองขอ ง, ของแม่เขาไม่ใช่หรือครั้งนี้เราพูดถึงเนินครับเินชาวล้อครับครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงชันงอนผาบ้านถ้าเนินนี่มันก็ชันแล้วใช่ไหมครับชันงอนผานี่มันชันกว่า น, นั้นในย่าต่อมาครับพ่อรัสพาโนตาจะพูดถึงชันงอนผากับผู้ศรัทธาเกี่ยวอะไรกันยังไงก็เปนชาวล้อก็น่าจะได้พูดคุยกันในครั้งต่อไปครับผมพี่น้องที่นักหนึ่นครับก็ ขอด้จากพวอล้อสุภาณัวจร้าผู้เป็นที่ผู้หนึ่งเดียวของเราผู้ที่ไม่มียวจางใดนอกจากองค์ผู้ซึ่งไม่มีบุตรไม่มีพ่อผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดนั้นเสมอเหมือนพระองค์ เลยขอโดยจากพระรัซสุภาราล่ะนะครับให้เรานั้นได้รับความรักของพระองค์ให้เรานั้นรักพระองค์ให้เราเน้นรักผู้ใดก็ตามที่รักพระองค์แล้วพระองค์ก็รักเขาให้เราเน้นรักการงานใดก็ตามที่เราทําแล้วทําให้พระองค์รักเราแล้วก็ทําให้เรานั้นรักพระองค์มากยิ่งขึ้นขอให้เรานั้นมีหัวใจที่มุ่งมั่นมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนเพื่อพระลัซสุภานุวัจจาลาขอให้เรานั้นเจอบททดสอบที่มันไม่เกินความสามารถของพวกเราขอให้เราเน้น ถ้าเจอบททดสอบหนักๆใดๆก็ตามขอพ่อร้อนนั้นให้ความช่วยเหลือเราขอให้เราผ่านพ้นทุกบททดสอบไม่ว่าบททดสอบนั้นจะเกิดเพราะน้ำมือของเราเองน้ำมือของคนอื่นหรือเป็นบททดสอบที่มาจากพระองค์โดยตรงจะเป็นบททดสอบใดก็ตามจะเป็นสภาพใดก็ตามก็ขอให้เราทุกคนนั้นผ่านพ้นทุกบททดสอบไปได้ในสภาพ ของบาวที่พระอัลลอฮ์รักขอเรานั้นมีชีวิตยอยู่ในสภาพของมุสลิมขอให้เรานั้นเสียชีวิตยอยู่เสียชีวิตไปในสภาพของผู้ที่ศรัทธาขอพระอัลลอฮ์ให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกให้เรามีความสามารถที่จะทํามันให้เรามีความอดทนแล้วรักที่จะทํามันแล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิด เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆขอให้เราออกแากจากมันแล้วก็ขอให้เรามีความรังเกียจสิ่งที่ผิดเหล่านั้นขอพรวร้ความเชื่อมุสลิมขอพรวร้อยความเชื่อบรรดาผู้อ่อนแอขอพรวร้ความเชื่อผู้ใดก็ตามที่มีหนี้สินขอให้เขาหมดหมดเรื่องหนี้สินของเขาผู้ใดมีความทุกข์เศร้าขอให้เขานั้นมีความสุขมีใบหน้าที่อิ่มแยงได้ผู้ใดก็ตามที่มีความ เจอกับบททดสอบที่มันหนักหนาที่มันมารุมเร้าในด้านเด็ก็ตามยาวล้อโปรดเมตตาเขาโปรดให้ความช่วยเหลือเขาโปรดให้เขานั้นผ่านมันไปได้ด้วยดีที่สุดยาวล้อผู้เด็ก็ตามที่มาอาธรรมเราอย่างชั่วร้ายอย่างเลวละยาวล้อขอช่วยเราให้เราพ้นจาก บ, บททดสอบการอาธทําเหล่านั้นไปได้แล้วถ้าเกิดว่าหากเขายังเฉพาะมีดีได้อยู่ขอให้เขาคิดได้ขอให้เขาเตาบ้าหรือถ้าไม่แล้วขอให้สิ่งไม่ดีที่เขาทํานั้นมันกลับไปเจอกับตัวเขาด้วยเถิดยาวล้อ เราูดนี้นมครับก็ถ้าใครพี่น้องก่อนที่จะสละมันกั น, นครับผมก็พี่บิ๊คิดก็ จ, จะจากนอกกันก็นกนวียาคุมครับผมแล้วก็ท่านที่อามีนมาก็ขออามีนเช่นเดียวกันครับขอรอดตอบ ร, ร, รับตัวขอให้เรามีอ่มาที่ดีขึ้นนะครับมาชาลอครับมีพี่น้องถามมาแล้วก็ ผมเพิ í, ่งมาดูนะครับผมนิสิตนะครับบอกว่าการขอดุทิในซิวยต้องสละวะท่านนบีไหมครับคือเรื่องของการขอดุอากับเรื่องการสละวะท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานออออิสลามนั้นเป็นเรื่องที่ว่าคนละเรื่องกันแต่ว่าควรเอามาอยู่ด้วยกันถ้าสถานการณ์มันเอื้ออํม่วยถ้าสถานการณ์มันเอื้ออมนวยคือการสละวะท่านนบีเนี่ยมันคือการขอดุทิที่ขอให้กับท่านนบีก็จริงแต่เราเป็นผู้ที่ได้รับถามว่าอย่างในกรณีที่เราซูอยู่เนี่ย ต้องสละวัดนบีไหมคือเวลาดูอาตามปะกติเนี่ยนะอย่างที่บอกนะครับว่าการสรวัดไม่ใช่เงื่อนไขคืออยากขอพี่น้องอยากขออะไรก็ขอไปเลยแต่ถ้าสามารถสละวัดให้กับท่านนาบีได้ด้วยเป็นสิ่งที่ดีงามในกรณีของการสิยุดผมคิดว่าเวลาอาจจะไม่มากพ อ, อแต่ถ้าเกิดพี่น้องละหมาดเอง แล้วพี่น้องสยูดแล้วพี่น้องมีเรื่องอยากจะขอต่อพระลอสุภานุวตารามามากๆพี่น้องขอไปเลยแล้วขอเสร็จจะปิดท้ายด้วยการสละวัฒนบีมันก็เป็นสิ่งที่งดงามเพราะบอกติอย่างที่เราเจอก็คื อ, คอนักวิชาการอย่างที่เรารู้ครับเมื่อขอดูวอะไรก็สระเสรสิญต่ออัลลอฮ์ขอในสิ่งที่เองอยากได้แล้วก็ปิดด้วยกับการสละวัฒนนบีมรณะสละรของอัลลอฮ์สละละนั่นก็คือถ้าอยู่ในสถานะที่ทําได้แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอ ฝืนตัวเองจนเกินไปครับผมเพราะว่าถ้าละหมาดตามอิห ม, มัมต้องไม่ทิงช่วงกับอิหมัมเกินไปนะครับผมอันนี้ที่ว่าขอเตือนไว้นะครับผมทีนี้ครับการอมอมยิ้มไว้ในปากแล้วทำอย่างอิ่นไปด้วยคือยืนนะครับเข้าข่ายว่าเป็นการยืนกินไหมมันก็ต้องยืนกินสิครับผมคือเพราะว่าอมยิ้มอยู่ในปากมันก็คือมีการดูดมีการอะไรมันก็เข้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับต่อให้เราอมค้างไว้ยังไงมันก็อยู่ในลิ้นยังไงมันก็อะไรเพียงแต่ว่าพี่น้องครับในเรื่องของการยืน รับประทานอาหารเนี่ยถ้ามีคว is ามจําเป็นอ er like ิสลามอนุโลมอิสลามอนุโลมเพราะว่ามีบางกรณีที่ว่าท่านอบีมูฮัมมัดสุลต่านก็ยืนดื่มน้ําเช่นเดียวกันอย่างในฮะริสที่ว่ายืมดื่มน้ำจำจำในแส่การบางท่านก็บอกว่าที่ท่านอบียืมดื่มเนี่ยไม่ใช่เพราะความประเสริฐต้องยืนดื่มเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าแก้วที่มีการผูกอยู่กับสายโซ่เนี่ยมันทําให้นั่งดื่มไม่ได้ท่านอบีก็ยืนซึ่งเป็นตัวบทที่บอกให้รู้ว่าการยืนนั้นอนุโลมใน กรณีที่ว่ามีเหตุจําเป็นแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุจําเป็นอย่างที่รารู้การรับประธานนั้นต้องนั่งรับประทานให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นครับบางทีมีอมยิ้มอยู่แล้วมันต้องลุกไปทำเงินลุกไปทํำยิ้มมันจะวางตัวไหนมันก็สกปรกถูกไหมครับอมยิ้มมันเปียกอย่างเงี้ยกระมิอจะทําไงก็เอาข่าวไว้ในปากอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรครับนิชาแล้วรับเป็นผู้มีตาครับผมอดูต่อมานะครับผม คุณวารีครับยุราชาณนะครับสลามมาก็มุณสลามอัลตุลอ a b o v บรารกาตัวนะครับผมอคุณกูระวีก็อามีนมาก็บราริกัลลอฮีกลุมครับผมผมน่าจะไม่ข้ามข้อความของพี่น้องท่านใดนะผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นข้ามท่านใดไปผมขอมาออีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าที่ดูน่าจะครบเพลินละครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ครับในครั้งต่อไปเรามาต่อในอายะที่สิบเอดฝละกอตาฮามิลอากบะที่โพลลอสุภะนะฮุอัต阿拉ได้บอกเอาไว้ว่าแล้ว ฟ่าละเขานั้นยังไม่เลือกที่จะปีนฉ ง, ง่นผาหลังจากที่วอลล์พูดถึงคนในลักษณะของมุสลิมหลังจากท่วอลล์พูดถึงคุณลักษณะของมนุษย์หลังจากที่วอลล์ลออลบอกให้รู้ว่าก็มีคนที่แบบว่าได้สิ่งที่ดีก็ไม่รู้จักขอบคุณวอลล์ก็บอกว่านอกจากไม่ขอบคุณไม่พอหนทางที่ยากลําบากเขาก็ไม่คิดจะเลือกด้วยทั้งๆ ท, ที่อย่างที่เรารู้กัน ความสมเร็จนั้นย่อมมาจากบนทางที่ยากลำบากแต่จะเป็นยังไงพูดกันครั้งต่อไปครับชาวอครับสุภานอมารมด้วกัอัชฮันวะไิลานตอัสสลกุกัวะตูบิไลครับอัสสลามุอะลัยุมวะฮมถุลลอฮ์วะบารากตุครับคุณ